สิกขาบทที่ 6. เรื่องพระชาพะคี 611. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรถีครั้งนั้นพวกพิสุชพพะคีใช้ข้าวสุกกลบแกงบ้างกับข้าวบ้างเพราะอยากได้มากพระบัญญัติ 6. พึงททำความสำเนียกว่าเราจะไม่ใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวเพราะอยากได้มาก เรื่องพระชภคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่พึงใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวเพราะอยากได้มากพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อใช้ข้าวสุกกลบแกงหรือกับข้าวเพราะอยากได้มากต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นึ่พิษุไม่จงใจสองพิษุไม่มีสติ3ามพิษุผู้ไม่รู้ 4. เจ้าของกลบไว้ถวาย5้าพิษุไม่ได้กลบ เพราะโลกมาก 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 6. จบ